มันการหมดหัาอกกันเดียวกันเรามาสร้างชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ขอส่วนรวม้วความชั่วทำความดีทำกิจในบริสุทธิ์อย่าเบียดเวียนตนเองอย่าบีบเปียนคนอื่นทำให้ตัเงเป็นทุกข์เพื่มความโกรธ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 การถัดตรงนี้เราต้องหัดตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองเพคนอื่นหัดไม่ได้สอนเราไม่ได้เราทุกข์ก็สอนตัวเองเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เมื่อเวลามันทุกข์ใจโกรธเครี้งขึ้นมาจะไปดุไปดา่าทำลายกาันมาเปลี่ยนตัวเองก่อนอาจจะไม่ต้องดา่าไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้ถ้าเรามาเปลี่ยนตัวเองให้ เป็นล่ายกายเป็นดีจึงหัดตรงนี้แต่ทุกคนหัดตรงนี้ก็เกิดความสงบร่วมเยือนร่วมกันถ้าเราไม่หัดตรงนี้คนเด่นเราเดือดอร้อนเราก็เดือดร้อนเราจึงมีหัวโอกันเดียวกันแล้วก็เราก็ทําได้ความโกรธไปอยู่ที่ใจใจมันก็อยู่กับเราดีลองหัดเปลี่ยนรู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 เวลาวิการแล้วเวลานี้เป็นเวลานอนทำไมมนันอนคิดกันอยู่หรือว่าผิดสินนั้นกันสินคือทำให้เรามั่วหมองทำให้เราเนี่ยไม่ใช่ไปทำคนอื่นเราจึงมีสติสมสัญญาเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจย้า้กายมันเถื่อนย้าใ้ใจมันเถื่อนตัวใดทีทีทุกคนตัวเดีตัวเอง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 ก็เดือร้อกันไปทีมือโคลนเราไม่มีการสํารว ม, ะมระวัดระหว่างการใช้ปจัจจัยสี่อยู่กับบนโลกนี้อันเราก็มีชีวิตส่วนรวมอยู่เราทกบดีนั้นก็เป็นส่วนรวมเปนความสุขแต่ความชั่วก็มีส่วนรวมเป็นความทุกข์เราจึงมาช่วยกันทํำกบดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเหล่านี้ ล้วก็ไม่ยากกายก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเราคึดดีทำดีพูดดียิ่งเพืเราเป็นสัตว์สังคมเป็นครอบครัวบุตภรญาสามียิ่งจะดีมากมากทำบลกับสามีสำบุนกับภรรยาทำบนกับลูกกับเต้ากับพ่อกับแม่อย่าทำบนญแต่กับพระกับวัดตลาดแห่งบนมีทั่วไป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 ยังมีการปฏิบัติธรรมก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดให้มีสติมีความรู้สึกมีความลึกได้หาดให้เป็นอย่าเป็นผลุตสวาจ a ผิดแล้วจึง่อยรู้จักจะเสียใจบางทีเราอยู่ด้วยกันนาะไม่ค่อยทำคนดีเท่าไหร่พอผัพลากจากการไปเ็าบกพรองเสียใจไม่มีโอกาสทำได้เลยเช่นพ่อแม่ของเราดนะ่า